ผมเฝ้าดูระยะหนึ่งตอนเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเผื่อเราจะกําหนดรู้สภาวะของการที่ตรงนิ้มปีที่มากําหนดความรู้สึกตุบๆคล้ายๆชีวจรเนี่ยนะครับถ้าจะเอาชัดเนี่ยคือเพ่งลงตรงนี้ใลยชัดชัดที่กําหนดรู้นะครับกับอีกอันหนึ่งครับหลวงพ่อครับคืออยู่ห่างเขาก็จะเห็นเห็นเห็นสภาวะได้เหมือนกับเฝ้าดูเหมือนเหมือนช่ำเรืองดูครับควรจะทํำยังไงครับหลวงพ่อเอาหนึ่งหรือสองครับ เอารู้ตัวเองเอารู้ตัวเองคือคือเมื่อเราลืมตาลงเงี้ยมัาก็จะรู้สึกดีครับคือจะรู้สึกทุบกำลังได้แต่ถ้าหลับตาทุบเพ่งเลยก็จะชักตรงนี้ชักเลยนะครับไม่เอาชักในชัดเอารู้ตัวเองเอารู้ตัวเองนะว่าใจสงบแต่กิเลสหรอยังเอารู้ตัวเองว่าใจสงบแต่กิเลสอยังไม่ไเอง ขอชัดที่ตรงนี้ปีหรือไม่ช่ัดเอาลูกตัเองทุกขณะปฏิบัติว่าอยากจะบอกจากกิเลสหรืยังมีความนี่โดวชายนีอยากอะไรในใจไหมในตอนที่ดูเนี่ยมันมันมันจะเกิดความเข้าใจว่าสภาวะของการการทิ่ประจานนะครับเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นหรือว่าได้ยิเสียงพูดสียงตามหรือมีแว็กซ์เข้ามา สะพาวะของการเต้นของของจังหวะทีพจรเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็รู้มีความคือไม่ไม่ไม่นับเป็นหนึ่งสองหรือว่าเกิดดับอะไรมันแต่มันมีความเรื่อมันเกิดแล้วมันดับประมาณนี้นะครับหรือว่ามีอะไรแว บ, บเข้ามาก็อย่างเสียงหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยครับหรือเสียงอะไรใคถามเงี้ยมันเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อถ้าเวดูเฉยๆนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนชมเรือมองจะรู้สึกอย่างนั้นครับแต่ถ้าเพ่งไปเลยเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าชัดเลยแล้วมันจะ จะตามนั่นเลยครับตามตามการเกิดดับการตุ๊บต๊อบตุ๊บต๊อบนี้เลยเขาเอาอันอันอันอันที่เฝ้าดูจใจรู้สึกว่ามันจะจะเห็นการเกิดดับครับแต่ว่ามันมันผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันมันสงบกิเลสอย่างนี้เพราะว่าแบบนี้มันเอาแต่ที่จะเพ่ง สิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวไม่เข้าหาผู้รู้คือเข้าหาผู้รู้ก็คือตัวเราผู้รู้ความเกิดดับนั่นแหละแต่ตัวเราเนี่ยมันเราไม่สักตะวันรู้ตัวเราอยู่เ็บเนี่ยมใจไม่เกิดไม่ดับเป็นแต่ความสงบว่างเปล่าแต่ขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จุ๊บจิ๊บจุกจจุจมีอยู่ในใจแต่ใจ ไม่เกิดไม่ดับด้วยแต่สิ่งที่รู้อะจิปจรเต้นทุบๆๆนั่นแหละมันก็เป็นของมันเองนั่นแหละอย่างงั้นแหละก็เอาไปเครื่องเอาเป็นเครื่องล่อไว้ที่ผม ข, อ ข, ออขอ้อตอบที่นักคืออย่างนี้เลยครับคือคื อ, ค, อคือเกิดดับในที่ไม่เกิดดับนะครับแต่ต้องมาเห็นความเกิดดับที่ใจแต่เราไปเห็นความเกิดดับของในจิปจรแต่ไม่ไม่มาสังเกตที่ภายในใจของเราว่า มันมีกิริยาการของจิตจุบตุบขาย้ายๆจิตปจ ร, รแต่จิปจ ร, รที่เกิดดับเป็นกายเป็นร่างกายแต่ให้ย้อนเข้าหาผู้รูด้ดูผู้รู้ผู้ที่รู้นั่นแหละแล้วเจะเห็นว่าภายในใจของเราก็เหมือนกันเอาอาการเกิดดับของจิปจ ร, รเนี่ยมาเป ร, รียบเทียบกับอาการเกิดดับภายในใจเราก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยก็แสดงอาการเกิดดับเหมือนจิปจ ร, รเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับ เข้าใจไหมต้องทำนายจักรต้องทำนายจักรคือว่าท่านเห็นแล้วว่าจีบจ่อเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเอาอาการเกิดดับอันนั้นแหละก็ถูกต้องแล้วก็รู้อยู่อย่างงั้นแหละไม่ใช่ว่าผิดเพราะว่าอันนั้นคือการเห็นกายเกิดดับคือจีบจ่อคือลมหายใจนั่นแหละลมหายใจนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้ดูลมหายใจดูจีบจรเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ถูกต้องก็ใช้ได้แล้วก็คือกายเกิดดับเกิดดับ ใจของท่านก็สงบแล้วเมื่อใจสงบแล้วเราก็เห็นว่าในใจที่สงบเนี่ยมันมีอาการของใจที่ที่เกิดดับอยู่ด้วยคล้ายๆกับจิปประจรคือเหมือนกับจิปประจรคือจิปประจรคือส่วนที่เป็นร่างกายคือเราไม่ใจที่เกิดจิปประจรที่เกิดดับเกิดดับนั้นร่างกายเนี่ยจิปประจรที่เกิดดับ เ, เกิดดับไม่เกิดดับจ่ไหนนะั้ะก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่านี่นะแต่ส่วนในใจมันก็มีธรรมชาติที่ว่างเปล่าคือ สังเกตได้ด the the the ีๆว่าอาการของที่ประจรเกิดดับเกิดดับร่างกายเนี่ยมาเทียบกับอาการของใจเราก็รู้แบบเดียวกันแบบเดียวกับที่ประจรรู้ในรู้ในใจของเราเนี่ยนะว่าภายในใจของเราเนี่ยก็มีอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนทิ่ประจรเต้นแต่เป็นจิตเกิดดับเกิดดับแต่ทิ่ประจรเต้นเป็นกายเกิดดับเกิดดับแต่เอาอาการของที่ประจรเต้นมาเปรียบเทียบ ภายในใจของเราก็เห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับมีอาการเกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกันแล้วก็เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับเข้าใจไหมเอาเอาเอาไม่ให้ทวนหน่อยสิว่าเข้าใจยังไงน่อยตอนตอนนี้ ชีปประจรที่เต้นเนี่ยเป็นอาการของกายที่เต้นการที่เรารู้รู้ที่รู้ที่ใจที่รู้ว่าการเกิดดับของชีปประจรที่เต้นเนอ่าให้ดูใจคือจิตน่ยนะฮะที่เกิดดับเหมือนกับที่ชิประจรเต้นเกิดดับนั้นเพราะว่าใจเป็นผู้รู้ประมาณนี้ครับหลวงพ่อครับแต่ว่าอันนี้ยังฟังหลวงพ่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องต้องพยายามให้มันตัาบซึ้งในในตัวเองครับผมครับถูกต้องนะเพราะว่าท่านดูชีประจรเป็นแล้วนะ บอกว่าท่านดูกายเกิดดับเป็นแล้วคือลมหายใจปกติมันก็คืออานาปานาสติแน่นแต่อนาปานสติของท่านไปดูชิปประจรมันเต้นเกิดดับดูลมหายใจเกิดดับก็อันเดียวกันเรียกว่ากายพระเจ้าตัดว่าลมหายใจหรือชิปประจรที่มันเต้นเนี่ยก็คือกายครับเพราะว่าถ้านชิปประจรมันดับหรือลมหายใจดับกายก็ดับพ ร, รบออันนี้ก็คือกายเมื่อท่านเห็นกายเกิดดับถูก ต้องคือท่านท่านปฏิบัติถูกคือว่าท่านเนี่ยเห็นทิปประจอมมันเกิดดับอยู่เฉยๆท่านไม่ไปยุ่งวุ่นวายไม่ไปแทรกแซงมันครับครับอันนี้คือเรียกว่าเห็นถูกต้องคือท่านเห็นทิปประจอเกิดดับอยู่เฉยๆท่านไม่ไปแทรกแซงไม่ไปวุ่นวายกับมันอันนี้ถูกต้องคือท่านสักแต่ว่าเห็นแค่รู้แค่เห็นทิปประจอเกิดดับแค่รู้แค่เห็นกายเกิดดับโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปวุ่นวายกับมันท่านรู้อยู่เฉยๆเป็นแล้วแต่รู้กายอันนี้แค่รู้กาย พอท่านรู้กายเป็นแล้วคือท่านไม่ไปยุ่งกับอาการของกายคือชิประจรเกิดดับแต่อาการของชิบประจรเกิดดับคือร่างกายเนี่ยเอามาเทียบกับอาการของใจครับถ้าท่านสามารถรู้อาการเกิดดับภายในใจอยู่เฉยเฉยโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแทงไม่เข้าวุ่นวายกับมันไม่เข้าไปอยากให้เป็นไปอย่างไรได้แค่รู้มันอยู่เฉยเฉย โดยที่เห็นทั้งชิบประจรข อ, องร่างกายเกิดดับเห็นทั้งอาการของจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยไม่มีใครเข้าไปสเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมั้นถือมั่นทั้งชิบประจรที่เกิดดับคือกายที่เกิดดับทั้งจิตที่เกิดดับถ้านสามารถพ้นทุกุลผลิภานไปได้จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบมีพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่รู้อาหารหันต์ ก็เกิดปัญหาที่จะไปถามพระพุทธเจ้าก็เดินไปที่ใต้คันธักุดีของพระพุทธเจ้าบังเอิญฝนตกลงมาก็เลยยืนอยู่ที่ใต้รถยืนรออยู่ที่ใต้คันธักุดีคือกุฏิ่นี่ยของพระพุทธเจ้ารอว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วจะขึ้นไปกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าตอนนี้เม็ดฝนเนี่ยที่ตกมาจากชายคาก็ไหลไปกระทบพื้นน้ํา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 พอฝนหยุดตกท่านบรรลุอลหรหันต์เลยไม่เข้าไปยึดมันถือมั่นอะไรเลยและไม่ขึ้นไปถามพุทธเจ้าด้วยเดินกลับปุติของเองตัวเองเลยพระเจ้าว่าเนี่ยมีในพระไตรปิฎกว่าองค์เนี้ยบรรลุอลหรหันต์แล้วขณะที่อยู่ใต้ฐานพุทธิพุทธเจ้าพุทธเจ้ารูเา้เลยเราตาเลยเอาอาการที่พระอหรหันต์องค์นั้นเนี่ยเห็น ต่อน้ําเกิดดับเกิดดับเอามาเทียบกับปักการของใจเกิดดับเกิดดับโดยไม่เข้าไปสเสวยไม่เข้าไปยึดบ้านถึงบ้านไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็สักตะวรัรู้หรือแค่รู้เหมือนกับทิ่ทาสักตวรัรู้แค่รู้ชิบประจรเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่เข้าไปแทรกแซงพุทธสมกับที่พระเจ้าตัดกับพิยะว่าถ้าเธอสักแตลว่ารู้นั่นแน่เธอจะบระรลุปณิพานธ์พิยาก็บรรลุปณิพาน อาการของชิปประจรเกิดดับมาเปรียบเทียบกับต่อมน้ําที่เกิดดับของท่านเอาต่อมน้ําที่เกิดดับมาเทียบกับอาการของใจที่เกิดดับของท่านเอาอาการชิปประจรเกิดดับมาเทียบกับอาการของใจที่เกิดดับเกิดดับแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นหรือมั่นก็จะบรรลุวิญญาณได้ครับเรียกว่าสิ้นความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและสิ้นความยึดมั man, <โ ını S 1> ่นทางจิตใจ แต่ท่านต้องเห็นมันด้วยใจของท่านอย่างที่ท่านพูดที่บอกว่าผมจะต้องไปเห็นมันให้บรรจัดๆเหมือนผมเห็นทิพประจรเกิดดับถูกต้องแล้วท่านต้องไปเห็นมันด้วยใจของท่านเองอครับแล้วท่านจะแจ้งรู้ซึ้งด้วยใจของท่านเองแล้วท่านก็จะไม่ต้องไปถามใครเหมือนพระอรหันต์ของพุทธเจ้าที่ไปเห็นตอมน้ําเกิดดับไข่ตายกันท้ากุฎีของพพุทธเจ้า และมาเทียบกับจิตเกิดดับเกิดดับอาการนั้นจิตเกิดดับในใจของท่านแล้วสิ้นความยึดมั่นถือม้านกับรุ้อานก็ไม่ต้องถาพระเจ้าอีก